สุขในสุขประณีตจนถึงสุขสูงสุดก้าวสู่ความสุขที่ประนีตสูงขึ้นไปก่อนจะกล่าวถึงความสุขที่ประนีตเห็นควรแสดงความหมายทั่วไปของความสุขและความทุกข์ชนิดที่มีเป็นพื้นอยู่ในจิตใจซึ่งสัมพันธ์กับความสุขอย่างอื่นทั้งหมดกล่าวคือครั้งหนึ่งมีปริพาชกถามพระสารีบุตรว่า อะไรคือความสุขอะไรคือความทุกข์ในธรรมวิ น, นัยนี้พระสารีบุตรได้ตอบว่าความไม่ยินดีนั่นแหละท่านเป็นทุกข์ในธรรมวิ น, นัยนี้ความยินดีจึงเป็นสุขเมื่อมีความไม่ยินดีก็เป็นอันหวังทุกข์นี้ได้คือแม้เดินอยู่ก็ไม่ประสบความสุขความสําราญแม้ยืนอยู่แม้นั่งอยู่แม่นอนอยู่ แม้อยู่ในบ้านแม้อยู่ในป่าแม้อยู่ที่โคนไม้แม้อยู่ในเรือนว่างแม้อยู่ในที่แจ้งแม้อยู่ท่ามกลางหมู่ภิกษุก็ไม่ประสบความสุขความสําสราญเมื่อมีความไม่ยินดีย่อมเป็นอันหวังทุกขนี้ได้แต่เมื่อมีความยินดีก็เป็นอันหวังความสุขนี้ได้คือแม้เดินอยู่ก็ประสบความสุขความสําราญ แม้ยืนอยู่แม้นั่งอยู่แม้นอนอยู่แม้อยู่ในบ้านแม้อยู่ในป่าแม้อยู่ที่โคนไม้แม้อยู่ในเรือนว่างแม้อยู่ในที่แจ้งแม้อยู่ท่ามกลางหมูพิษุขก็ย่อมประสบความสุขความสำราญเมื่อมีความยินดีก็เป็นอันหวังความสุขนี้ได้จากนี้พึงทราบความสุขประณีตในระดับตั้งแต่ชาณสุขขึ้นไป ว่ามีเขาความรู้สึกอย่างไรดังที่ท่านแสดงไว้โดยอุปมาสรุปมาพิจารณากันดูต่อไปนี้ก้าสุดท้ายก่อนจะบรรลุฌานก็คือการละนิวรห้าได้แก่การมาชันพยาบาทถีนมิทะอุทจะกุกุจะจและวิจิกิจชาได้ผู้ละนิวรได้แล้วจะมีความรู้สึกปลอดโปรง่งโล่งเบาสบายและอิ่มใจเกิดขึ้น เป็นพื้นนำของการจะได้ความสุขในฌานต่อไปดังที่ท่านอุปมาไว้5ประการ 1. เปรียบเหมือนการเกิดความปราโมทมีโสมนัสชื่นฉ่าใจของคนที่เคยกู้ยืมเงินคนอื่นมาประกอบการงานแล้วประสบความสำเร็จใช้หนี้สินได้หมดแล้วและยังมีเงินเหลือไว้เลี้ยงครอบครัว 2. เปรียบเหมือนการเกิดปราโมทมีโสมนัสชื่นฉ่าใจ ของคนที่ฟื้นหายจากความเจ็บป่วยเป็นไข้หนักกลับกินข้าวกินปลาได้มีกำลังกายแข็งแรง 3. เปรียบเหมือนการเกิดปราโมดมีโสมนัสชุ่มชื่นใจของคนที่พ้นจากการถูกจองจำไปได้โดยสวัสดีไม่มีภัยและไม่ต้องเสียทรัพย์สิน 4. เปรียบเหมือนการเกิดปราโมดมีโสมนัสชุ่มชื่นใจของคนที่หลุดพ้นจากความเป็นทาส อาศัยตนเองได้ไม่ขึ้นกับคนอื่นเป็นไทยแก่ตัวจะไปไหนก็ไปได้ตามใจปรารถนาหเปรียบเป็นการเกิดปราโมทมีโสมนัสชุ่มชื่นใจของคนมั่งมีทรัพย์ผู้เดินทางข้ามพ้นหนทางไกลกันดาลที่หาอาหารได้ยากและเต็มไปด้วยพยันตรายมาถึงถิ่นบ้านอันกเกษมปลอดภัยโดยสวัสดีต่อแต่นั้นก็จะได้ประสบความสุขในชาญศ ที่ประณีตดียิ่งกว่านั้นขึ้นไปอีกตามลำดับกล่าวคือในชานที่หนึ่งซึ่งประกอบด้วยวิตกวิจารปีติสุขและเอกะกัตตาผู้ปฏิบัติทำกายของตนให้ชุ่มชื่นเ อ, อบิบอาบซาบซางด้วยปีติและความสุขไม่มีส่วนใดของกายทั่วทั้งตัวที่ปีติและความสุขจะไม่ถูกต้องเปรียบเหมือนแป้งสีกายที่เขาเทใส่ภาชนะสำริดเอาน้าพรมปล่อยไว พอถึงเวลาเย็นก็มีอย่างซึมไปจับติดถึงกันทั่วทั้งหมดไม่กระจายออกในชานที่สองซึ่งประกอบด้วยปีติสุขและเอกกัคตาผู้ปฏิบัติทำการให้ชุ่มชื่นเอิบอาบซาบซานด้วยปีติและความสุขที่เกิดจากสมาธิอย่างทั่วไปหมดทั้งตัวเปรียบเหมือนห่วงน้ำลึกที่น้ำผุดขึ้นภายในไม่มีน้าไหลจากที่อื่น หรือแม้แต่น้ําฝนไหลเข้ามาปนกระแสน้ําเย็นผุดพุ ข, ขึ้นจากห่วงน้านั้นทาให้ห่วงน้านั้นเองชุ่มชื่นเอิบอาบซาบซึมเยือกเย็นทั่วไปหมดทุกส่วนในชานที่สามซึ่งประกอบด้วยสุขและเอกกคตาผู้ปฏิบัติทํากายให้ชุ่มชื่นเอิบอาบซาบซานด้วยความสุขที่ปราศจากปีติทั่วไปหมดทุกส่วนเปรียบเหมือนกอบัวเหล่าต่าง ที่เติบโตขึ้นมาในาน้ำแช่อยู่ในน้ำและน้ำหล่อเลี้ยงไว้ย่อมชุ่มชื่นเ อ, อิบอาบซาบซึมด้วยน้ำเย็นทั่วไปหมดทุกส่วนตั้งแต่ยอดตลอดเงาในชานที่สี่ซึ่งประกอบด้วยอุเบกขาและเอก ก, กตตาผู้ปฏิบัติแผ่ จ, จิตใจอันบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไปทั่วทั้งกายเหมือนเอาผ้าขาวล้วนบริสุทธิ์มานุ่งห่มตัวตลอดหมดทั้งศีรษะ ต่อจากความสุขในฌานสี่นี้ไปก็มีความสุขในอรมณ์ฌานอีกสี่ขั้นซึ่งประณีตยิ่งขึ้นไปตามแนวเดียวกันนี้โดยลําดับแม้ว่าฌานสุขทั้งหลายจะประณีตลึกซึ้งดีเยี่ยมกว่ากามาสุขแต่ก็ยังมีข้อบอกพร่องหลายอย่างไม่ใช่ความสุขที่สมบูรณ์มีพุทธพจน์ตรัสว่าในอริยวินัยเรียกกามคุณห้าว่าเป็นโลกหรือว่าโลก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 ของผู้มีจิตใจเป็นอิสระได้แก่สุขของผู้บรรลุนิพพานแล้วซึ่งรวมถึงสุขเนื่องด้วยสัญญาเวทีตะนิโรสมาบัติอันเป็นสุขขั้นที่สิบในบรรดาสุขสิบขั้นที่กล่าวถึงมาโดยลำดับข้อบกพร่องซึ่งทำให้ชาณสุขไม่สมบูรณ์เฉพาะที่สำคัญคือภาวะในชาญยังไม่โปร่งโล่งเต็มที่ยังถูกจากัดมีความคับแคบด้วยสัญญา และองค์ธรรมอื่นๆที่เนื่องอยู่ในฌานนั้นๆยังมีความคำนึงนึกด้วยสัญญาเกี่ยวกับฌานชั้นต่ำกว่าฟุ้งขึ้นมาในใจได้จึงยังนับว่ามีสิ่งรบกวนหรือมีความบีบเปียนถึงแม้จะจัดเป็นนิรามิสสุขแต่ก็ยังเป็นเหตุให้ติดให้ยึดเกิดความถือมั่นคืออุ ป, ปาทานได้อาจกลายเป็นเครื่องขัดขวางการบรรลุนิพพาน หรือขัดขวางความสุขสมบูรณ์ที่สูงขึ้นไปจึงยังเป็นสิ่งที่ไม่เพียงพ อ, อยังต้องก้าวข้ามหรือละไปซิให้ได้เป็นภาวะปรงแต่งถูกปัจจัยทางจิตสรสร้างขึ้นมาไม่เที่ยงแท้จะต้องดับไปตามสภาวะและเป็นภาวะเสื่อมถอยได้ลักษณะสำคัญอีกอย่างหนึ่งของชาญสุขคื อ, อยังเป็นสุขระดับเวทนา หมายความว่าเป็นสุขที่เกิดจากการเสวยอารมณ์หรือเสพรสอารมณ์ถ้ามองในแง่นี้ชาติสุขก็ยังมีลักษณะร่วมอย่างหนึ่งกับกามสุขคือเป็นสุขเวทนาโดยนัยนี้สุข9ก้าขั้นต้นจึงอาจจัดเข้าเป็นประเภทเดียวกันคือสุขอาศัยการเสพรสอารมณ์